ก็ยังสู้วิหารฐานไม่ได้สร้างพุทธิสร้างเ ส, สียนาสนะเอาไว้เป็นทานยังสู้ไม่ได้การที่เรามีความเยื่อสายศรัทธานในคุณของพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อันนี้เยี่ยมกว่าวิหารฐานการที่เราขยับมากํากับจิตของเราให้อยู่ในองของศีลศีลห้าก็ตามศีลแปดก็ตามมี น, นิสงเยี่ยมกว่าทำความเยื่อสายศรัทธาเฉย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 เพื่อเกิดปัญญานั่นแหละความอดความทนบิริยะอุตสาหะความภาคความเพียรความมุ่งมั่นความเด็ดเดี่ยวความอะไรตัวอะไรมันอยู่รวมอยู่ในนั้นทั้งหมดยามตะล่อมเข้ามาแล้วดูให้มันออกว่าคุณธรรมเหล่านี้มีพร้อมอยู่กับเนื้อกับตัวของเราให้มีสัตว์มีซื่อกับจิตทุกตัวเองตั้งใจทํา พยายามสอดรู้สอดเห็นเห็นเป็นเรื่องจริงเรื่องจังเป็นเรื่องเห็นเป็นเรื่องสําคัญอย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยนะวันนั้นก็ร่วงไปวันนี้ก็ล่วงไปวันนั้นก็ร่วนนงไปเท่าเดิมวันนี้ก็ล่วงไปก็เท่าเดิมอะไรบ้างมันเจิอในหัวใจของเราดูดูเข้าไปให้มันมีสิ่งที่เจริญหลงเหลืออยู่ในหัวใจของเรา น, นั่นแหละคือคุณค่าที่เราบินทบาทขอบฉัน บริโภคปัจจัยสีของชาวบ้านเนี่ยมีผลมีอนิสงเราตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติธร ร, รักษาพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์มีผลมีอนิสงอย่างนี้ให้ตั้ง อ, อกตั้งใจทำนะตัวรายกาศตัวเดียวนี่แหละที่มันเล่นงานเราเน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 ธรรมะสิบหมวดเนี่ยสิบหมวดนี้รวมทั้งรมทั้งานามตาอิจตนะภายในหอิจตนะภายนอกหกิญญาหกัสหกเวทนาหกสัญญาหกสัญญนาหกตัณหาหกวิตกวิจารหกสิบหมวดสิบหกหกสิบ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 ไอ้ตัวก่ามันส่งรามาข้ามพวกข้ามชาติมาแล้วตัวเก่านั่นน่ะนะแต่เวลาเราจะมาจัดการเราจะมาต้องมาจัดการกับของใหม่กับตัวใหม่เนี่ยเราห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันด้วยกันด้วยการสังปองด้วยการสัมรูด้วยการกระวังให้จิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธมาเกิดมืด่อไหร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 ผู้พามยึดเอายึดเอายึดเอายึดเอายึดเอวเพราเราเกี่ยวข้องกับมันมากี่กี่อสงไขยแล้วคนเราเป็นร้อยร้อยอสงไข่มาแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติมากกว่าเมล็ดทายในแม่น้ํำคงคาพวกเราไปค้ากันอยู่ที <no <so really ่ไหนกันม่รู้ที่พบไหนภูมิไหนกันม่รู้ไม่เคยเจอสักคนนึงจึงมาตกข้างหลงเหนืออยู่ในโลกีต้องมองเต็มแมงอยู่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 เจ็บป่วยเรากรทุกลูกเจ็บป่วยพ่อแม่กระทุกแม่เจ็บป่วยลูกกระทุกพ่อกระทุกพ่อเจ็บป่วยแม่กระทุกลูกกระทุกลูกคนพี่เจ็บป่วยพ่อกระทุกแม่กระทุกไอ้ลูกไอ้น้องคนรองๆะไกระทุกมีเท่าไหร่แบบเท่านั้นก่อนนอกจากนั้นแล้วมีปู่มีย่า มีคนที่เรารับผิดชอบมีเพื่อนมีฝูงฝูมีครูบาอาจารย์เป็นที่เคารพสักการะคนนั้นเจ็บคนนั้นปวดคนนั้นปว่วยคนนั้นไข้นี่คือกองทุกข์พุทธเจ้าท่านเบื่อละกอบทุกข์เหล่านี้จนตั้งปริธานขอได้บรรลุขอได้บรรลุข อ, ขอให้แหวว่ายพ้นไปจากทะเลกองทุกข์เหล่านี้ให้ได้ขอให้รู้ขอให้รู้ขอให้รู้ ต้องเสียสละเอาด้วยชีวิตก็ยอมคอยได้คอยได้คอยได้ไปพุทธเจ้าหนึ่งเสียสละเพื่อความตัศนุปเป็นพุท ธ, ธานเนี่ยชีวิตเนี่ยไม่มีคุณค่าเลยเสียสละคอยได้คอยได้เนะทา น, บ, รรทานบารมีทานอุปบารมีทานปารมัตบา ร, รมีเรารูไปสิสินสินเพื่อนธรรมดา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 ด้วยตั ว, ตวเองตเอภาวนะมรรามยาปัญญาปัญญาปัญญารรมีท่านสินในธรรมะปรรัญญาวิริยาเพียงทำทำสบายมีเวลาหยุดพักหายใจเพียงพอบางกลางเพียนเอาเร่งทุกขณะจิตนาวิทยาขันติความมดความทนจัดจักอธิสารเมตตาอุเบกขา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 พเราเริ่มทําความรู้จักกับกายเราเข้ามารู้เข้ามาเห็นเหตุปัจจัยของกายเห็นความโง่ของเราที่เราไปยึดกายความยึดมั่นถือมันในกายมาันก็ผ่อนคลายลงที่เรียกว่ารักสักกายอาทิตถิรักสักกายอาทิตถิได้รัความยึดถือกาย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 เห็นหน้าเห็นตาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยก็เหมือนอย่างที่เ่าให้ฟังอยู่เอันที่สอก็ให้ทานแม้แต่ให้กับพระพุทธเจ้าให้กับพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้กับพระภิกษุสงฆ์สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่าเทศเอาไว้แม้แต่ให้กับภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธาน อนันในสงของฐานนั้นยังได้กว่าวิหารฐานวิหารทานนัคืออะไรคือที่อยู่เสนาสนะที่เรามาอยู่บางเพนนี้แหละนี่เรียกว่าวิหารทานอันในสงของวัดถุฐานเนยสูงกว่าสูงกว่าฐานน้นทานนี้ฐานอะไรสารพัดฐานขนมนมเนยฐานกับข้าวฐาสารพัดอันใสงวิหารทานสูงกว่าเฮเพราะอะไรอะ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 เป็นเหตจิตของคนทนนั้นเนี่ยมีสมถะมีสมาธิแน่สูงขึ้นไปกับการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมการที่เราตั้งใจกำหนดจดจ่อพิจารณาด้วยสติด้วยมหาสติกำหนดจดจ่อเหมือนอย่างพวกเราจับความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงที่จะเพิ่งเกิดขึ้นหน่วใจเพื่อไม่ให้ตัณหาแทรกเข้ามามีอนิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าทุกอยามที่เราไล่ไปมาถ้าเป็นบันไดก็บันไดอยู่ขั้นที่สูงที่สุด